บดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปความประสงค์ที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากมัจจุคือความตายที่พระโมคกัลราชได้กราบทูลถามถึงหลักการมองโลกเพื่อเกิดผลในลักษณะดังกล่าวนั้น ที่ว่าเป็นคำถามที่มุ่งผลสูงสุดดังนั้นในเชิงแสดงก็แสดงโดยการมุ่งผลสูงสุดแต่เมื่อกล่าวกันโดยขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบว่าเรื่องของความตายนั้นเป็นกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งตกอยู่ในกฎในกฎของเกิดแก่ตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแส ด, แดงบางอย่างก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความเกิดที่พบชาติพระนีธขึ้นไปซึ่งสรุปรวมเรียกว่าสักขะคาถาคือพูดถึงเรื่องอารมณ์เลิศเลิทั้งหลายคือมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่เลิศล้วก็เรียกว่าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อ บุคคลมีพื้นจิตที่จะเข้าใจโลกและชีวิตในแง่ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยสามารถมองเห็นว่าการทั้งหลายนั้นจะเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็าตามก็คือการอำนวยผลเป็นความสุขน้อยแต่ให้ความทุกข์มากก็อให้เกิดการสยบติดเพลิดเพลิอนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นในลักษณะซ้ำ ซ, ำ ซ, กซา ก, ซาก แม้แต่ช่วงยาวที่สุดคือพบชาติกอสซ้ำๆทักะจนสามารถคิดเห็นและเกิดเบื่อหน่ายพยายามที่จะสำรอกความกำหนัดความยึดติดในกามออกไปเราทรงแสดงหลักการปฏิบัติเพื่อผลเห่านั้นที่เรียกว่าโลงุตระกุศลคือความดีที่ทำให้บุคคลหลุดพ้นจากสังสาระ คือพลจากกำนาจของโลกดังนั้นพอมาถึงช่วงของความตายก็ <c oughs> จะมีธรรมะปริยายที่แสดงไว้เป็นนันมากทั้งในฝ่ายของสมุทยัยฝ่ายของทุกขสัตว์และฝ่ายของมรรคสัตว์เพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติสามารถได้รับประโยชน์จากการกำหนดพิจารณาและกำหนดประพฤติปฏิบัติ ตามสงควรแกองค์ธรรมเหล่านั้นความตายคือความแตกทำลายแห่งชีวิตตินทรีซึ่งจะต้องมีแกสัต ร, ร์ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงแต่เที่ยงของความตายก็คือว่าต้องตายแน่ แต่จะตายเมื่อไรตายอย่างไรตายที่ไหนตายวิธีใดนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนไม่มีใครสามารถกำหนดหมายได้เพราะเพื่อเพื่อเกิดผลในการมองชีวิตที่จะต้องตายทา่านก็ได้แสดงอาธิบายเอาไว้ถึงความตายเป็นสามขณะใหญ่ๆขณะแรกเรียกว่าขณิกะมรณะ คือคนเราท่านตายกันอยู่ทุกขณะได้แก่ความเปลี่ยนแปลงในแนวของทุกขตาหรือกนิจตาคือความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ของสัตว์ในสังขารทั้งหลายในส่วนย่อยๆที่มาประกอบกันเป็นกายเป็นชีวิตก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เรื่อยๆแต่อสัยมีสัน ต, ติคือการสืบเนื่องกันมาได้ ตำนอนกระแสไฟเมื่อให้แสงสว่างแล้วกระดับไปแต่พอมีกระแสอื่นหลายผ่านมาทําหน้าที่แทนแสงสว่างก็คงปรากฏอยู่แต่แท้จริงแล้วก็มีความเกิดดับกันอยู่ในกระแสไฟแถวนั้นชีวิตของบุคคลเราก็ตายไปในแต่ละขณะการเสื่อมสลายของเซลล์ทั้งหลายการเสื่อมของผิวการเสื่อมของผมขนเล็บเป็นต้นแต่พอดีมีสันตติ มาสืบเนื่องเอาไว้ทําให้บุคคลมองเห็นในจุดนี้ได้ยากแต่นั้นบางครั้งก็ส่งสอนในขณะที่ยาวยาวกว่านั้นคือตายตามชั้นของวัยตายจากความเป็นเด็กเล็กมาสู่ความเป็นเด็กโตจากความเป็นเด็กโตมาสู่ความเป็นหนุ่มสาวจากความเป็นหนุ่มสาวมาเป็นคนกลางคนจากคนกลางคนมาเป็นคนแก่คนแก่ก็แก่ลงไปแตามันดันบซึ่งตอนนี้ภาพจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นความจริงว่าโครงสร้างต่างๆนั้นเพียงแต่สืบเนื่องกันแต่ไม่ใช่โครงสร้างเดิมเราในสมัยเป็นเด็กก็ไม่ใช่เราในสมัยปัจจุบันเราในสมัยปัจจุบันก็ไม่ใช่เราในสมัยเป็นเด็กแต่เราเป็นเด็กกับเราในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันเท่านั้นเององค์ประกอบของความเป็นเราในสมัยเป็นเด็กกับความเป็นเราในสมัยปัจจุบันทั้งส่วนร่างกายและส่วนจิตใจก็ไม่เหมือนกัน แต่ก็เกี่ยวเนื่องถึงกันวันเมื่อกล่าวในแง่ของกรรมจึง ท, ทรงแสดงเห็นว่ากรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้นั้นจะเป็นอดีตการนานไกลเท่าไหร่ก็ตามแต่เราก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากกรรมเหล่านั้นเราจะไปอ้างว่ากรรมนั้นทาในสมัยเป็นเด็กทำไมนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะไม่เกี่ยวข้องกับผลกรรมเหล่านั้นไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับ บุคคลจุดไฟเอาไว้ไฟทุกลามไปไหมในที่ใดที่หนึ่งอาจจะห่างไปหลายกิโลก็ได้เต่าไฟที่ไหม้นั้นเกี่ยวเนื่องกับไฟที่เราจุดเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในสถานที่นั้นนั้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ใช่อื่นแต่ก็ไม่ใช่จริงคือไม่ใช่ตัวเดิมจริงๆเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อย่างสืบเนื่องกันมาตัวกลายเป็นวัยทั้งสามแต่ต้องเข้าใจว่าแท้ที่จริงเราก็ตายกันมาจากภาวะนั้นๆโดยลำดับดังนั้นในข้อ น, นี้จึงส่งสอนให้พิจารณาในแง่ที่เป็นกติธรรมดาเพื่อมาให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตตนอยู่ด้วยความไม่มัวมองประบาด ว่าตามปกติแล้วคนทั้งหลายจะประบาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแต่ผลจากความประมาดก็กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตเรื่อยจนถึงอาตัดรอนชีวิตให้แตกทำลายหรือให้พิกลพิการไปได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความตายอีกชนิดหนึ่งซึ่งสำนวนบาลีนั้นเรียกอยู่สองสำนวนเรียกว่าอาการะมรณะ หรือสมมติมรณะแต่ว่าสมมติมรณะนั้นก็เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดคือความตายทั้งสามประเภทก็ถือเป็นเรื่องสมมติเอาไม่ใช่เป็นเรื่องจริงพวกอาการะมรณะนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในก็ได้ภายนอกก็ได้เจรนเกิดขึ้นจากภายนอกด้วยการพยายามของบุคคลอื่นเช่นคนก็ฆ่าคนก็ทําอันตราย หรือเพราะการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นสื่อนภาภัยอันตรายตั้งการแตกทำลายชีวิตเจ็ตนักรถนั่งรถที่คนขับมีความประมาทได้เกิดอุบัติเหตุหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับคนพานแล้วก็ถูกคนพานด้วยการมาล้างผลานคนพานเหล่านั้นเราก็ติดลูกหลงไปด้วยนี่เรียกว่าความตายที่เกิดขึ้นเป็นอาการละมรณะคือในเวลาที่ไม่ควรตาย แต่ก็อาจจะอาศัยปัจจัยภายนอกต่างๆเปน็นมากเกิดขึ้นมาได้และในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายในที่ท่านเรียกว่าเป็นกรรมเข้ามาตัดรอนคือกรรมที่เป็นเหตุอายุยืนนั้นมีจํานวนน้อยแต่กรรมที่มาตัดรอนมีกําลังมากกว่าจึงสามารถตัดรอนชีวิตได้ถ้าเรียกจำนวนกรรมถ้าเรียกว่าอุปเฉตตกรรมคือกรรมที่เข้ามาตัดหรืออุปฆาตตกรรม การในข้ามา่ากรรมาเดิมดังนั้นในกรณีนี้เวลาสอนในแง่ของการพิจารณาถึงกรรมก็าทรงสอนให้บุบคคลมีความสํานึกถึงกรรมและผลของของกรรมว่าจะเป็นของที่เราจะต้องได้รับผิดชอบด้วยตัวของเราเองเพราะงั้นกรรมอะไรที่เป็นเหตุตัดรอนเหตุทำลายล้างสร้างความเดือดร้อนก็ทรงสอนให้มีจิตสํานึกเห็นโทษแล้ว พยายามงดเว้นแตน่้นเรื่องของความตายในชั้นนี้ถ้าบุคคลคิดได้ระมัดระวังได้บางทีจะเป็นการเพิ่มธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอัปปมาตคือความไม่ประมาทเพราะทํากลางความไม่แน่นอนนั้นความตายอายจจะเกิดขึ้นเมื่อไร่อย่างไรที่ไหนก็ได้อีกช่วงหนึ่งเรียกว่า ก, กาละมรณนะคือตายถึงคราวที่จะต้องตาย เดียวกว บ, บุญก็หมดอาหารก็หมดอายุก็หมดและในที่สุดก็ต้องหมดตาหนองคล้ายๆกับตะเกียงที่ใส้ก็หมดน้ำมันก็หมดตะเกียนนั้นก็ต้องดับแต่แท้จริงแล้วในแง่ของความจริงท่านถือว่าเป็นสมมติมรณะคือสมมติเอาว่าตายคนตายสัตว์ตายคนนั้นตายคนนี้ตายที่จริงไม่ได้ตายจริง เพราะเหตุปัจจัยให้เกิดจึงมีอยู่สาบใดที่เหตุปัจจัยให้เกิดถึงมีอยู่สาบนั้นการเกิดก็ต้องมีอยู่การตายในแต่ละชาติจึงถือว่าเป็นการสมมุติว่าตายแล้วแล้วอาศัยกิเลสกรรมที่บุคคลเหล่านั้นกระทาไว้มีกำลังมากหรือกำลังน้อยก็ตามก็สร้างพบสร้างชาติให้แก่บุคคลอีกแล้วกเกิดอีกแล้วก็ตาย บางทนบางครั้งท่านก็ใช้คำว่ามีลักษณะคล้ายๆกระท่องเที่ยวเทวเซสเทวมนุษเซสุสังสรรโตท้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มีลักษณะคล้ายๆกรเที่ยวเพราะยังถูกพัดหมุนวนอยู่ในสังสารบัติในเรื่องเหล่านี้ท่านสอนให้เข้าถึงคติของธรรมดาเป็นกลุ่มของทุกขสัตย์จะมองจากสายทุกขสัตย์ เพราะคนเราเมื่อเกิดมามันก็เปเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่โดยเหตุปัจจัยภายในภายนอกเพราะงั้นเมื่อตายมันก็ตายได้ทั้งโดยเหตุปัจจัยภายในภายนอกหรือเหตุสองอย่างผสมกันแต่พอคนเข้าใจยอมรับคติธรรมดาเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอยู่กับความตายก็จะบรรเทาประบางลงไปซึ่งตามปกติแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตของบุคคลมากใยเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใหญ่ๆสามเรื่องคือเรื่องการแต่งงานการโบสถนา่งและความตายความตายกลับเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความหวาดกลัวสร้างความมิตต ก, กังวลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่เรียกว่ากลัวตายอยาการที่เรากลัวนั้นที่จริงเราไม่รู้ประจักษ์ชัดว่าอะไรเป็นอะไรทํานองคนกลัวผีกลัวสัตว์ร้กลัวสารพิษกลัวกิ่งกือใส้เดินก็กลัวไปเรื่อยๆแมงสา แต่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแม้บางอย่างจะน่ากลัวก็มีเรื่องที่น่ากลัวขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเราไปเจอเรื่องขนาดนี้ก็ดีแล้วที่ไม่เจอเรื่องรุนแรงมากกว่านี้เราสามารถทำใจของตัวในสงบจากความกลัวได้การคิดนึกถึงเรื่องของความตายที่ทรงใช้คำว่ามนานัสติคือตั้งสติแล้วนึกถึงความตาย นั่นเป็นหมวดขององค์ธรรมกลุ่มหนึ่งที่ท่านเรียกว่าจตุรักจตุราลักษกรรมฐานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่บุคคลควรบำเพ็ญสี่ประการด้วยกันในสีประการนั้นก็เริ่มต้นที่พุทธานติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาตั้งจิตแผ่ไปเพื่อจะให้เหตุเพื่อจะเห็นตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่น อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสังวูแก่ฐานะของตนอสุภะคือให้พยายามมองสังขารทั้งหลายในพวกอายตนะภายนอกทั้งหลายก็แล้วแต่จะเรียกรูปเสียงกินรนรสภูฏภะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินระรึงลวงไ่ายคว้าแสวงหานในทางที่ดีบ้างทางไม่ดีบ้าง เราสงสอนใ ห, ให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นความสวยงามอย่างแท้จริงคำว่ากายก็ออกมาจา ก, กุอายะแป็น ว, วัล่งเป็นที่ประชุมของสิ่งสกรปรกต่างๆวันจะเป็นกายเราหรือกายคนอื่นก็เป็นแหล่งเป็นที่ประชุมของสิ่งโสกรปรกปฏิกู่นมีประการต่างๆเพื่อจะบรรเทาความกำหนัดลงไปเพระาะอะไรพระาจิตกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายมากจะสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยประการต่างๆ การสอนให้กำหนดพิจารณาศึกษาในไงโดยในยะนี้ก็เพื่อให้บุคคลอย่างน้อยที่สุดก็ลดบาปลงไปใช่บบงเพราะอะไรเพราะว่าเอ ก, กิเลสที่ทรงสอนให้ถ่ายถอนออกไปนั้นมันเริ่มให้ความสุขแก่บุคคลตั้งแต่ถ่ายถอนออกไปหรือบรรเทาออไปแล้วก็จะให้ความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ในองค์ธรรมที่จงกันข้ามดังนั้นถ้าใจของบุคคลถูกครอบงำด้วยความกำหนัดไอ้กิเลสประเภทโลภะประเภทตัณหาประเภทราคะการขว้ความรปราถนาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าแกรุนแรงก็ออกมาเป็นทุจริตด้วยประการต่างๆพอประเภททุจริตก็กลายเป็นคนประมาท ดังนั้นท่านจึงสอนให้มองในแง่ที่ไม่สวยไปอยงอย่างน้อยก็เพื่อบันเทาราคะบันเทาตัณหาบันเทาโลภะลงไปแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ถึงไปทำทุจริตทางกายทางวาจาเพราะผู้ที่ประพฤติทุจริตนั้นก็คือคนที่ประมาทนั่นเองและข้อสิทธิที่สี่ก็ส่งสอนในแนวมโนสติ ซึ่งคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ากรรมฐานที่ท่านมาเกาะกลุ่มเอาไว้สี่ข้อก็แยกเอกเทศต่างหากคือมาคนละทิศละทางเพราะถ้าเราจัดกลุ่มแล้วจะพบว่าพุทธานุติก็คืออนุสติสิบเมตตาก็คืออยู่ในกลุ่มของพรหมฐานสี่อสุภะก็อยู่ในพวกกลุ่มอสุภาษิและมรณสติก็อยู่ในกลุ่มอนุสติส ที่จริงก็อยู่คนละกลุ่มก็มาฐานกันแต่ท่านมาจัดรวมไว้ในที่แห่งเดียวกันเรียกว่าจตุรารักกรรมฐานแต่กรรมฐานที่บุคคลจะพึงตามรักษาหรือพิจารณาอยู่สีประการเพื่ออะไรเพื่อต้องการบรรเทาความกำลัดเพื่อเพื่อนอระึงหลงในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองดลวจากการกระทําเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แ, แสดงว่า เวลาปฏิบัติมันก็เป็นทางทุกข์สัตย์ในแง่ที่ตั้งใจกําหนดรู้คืออาการที่เรากําหนดรู้เช่นกําหนดรู้ว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจา้าแล้วก็ตายไปในทำกลางความเกิดความกับความตายนั้นก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาสารพัดเช่นพวกความโศกเป็นต้นแต่ว่าจิตที่กําหนดพิจารณานั้นเป็นอาการของมรรคสัตริย์ ือเดินตามอริยมรรคสี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เร่ง น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสัมมาสังกปะคือความคิดในทางที่ชอบดังนั้นพวกมรณะสติที่บุคคลคิดไว้อยู่ บ, บ่อยๆคิดไว้สม่ำเสมอก็จะหายขาดหายสะดุง้งหายกลัวถึงภัยคือความตายแต่คนเหล่านี้จะไม่ไปให้ความสำคัญว่าเราจะตายเมื่อไหร่ ไปพิโ ต, ต ก, กังวลเกี่ยวกับความตายแต่จะมาคิดว่าจะตายยังไงก็ได้ตายเมื่อไรก็ได้แต่ขอให้เป็นการตายดี ต, ตายแล้วก็ขอมอย่าให้ตายแล้วเหม็นเวลาชีวิตของบุคคลเหล่านั้นที่เหลืออยู่ซึ่งจะแตกดับเมื่อไหรก็ไม่รู้ก็จะใช้ไปที่เป็นสาระแก่นสารมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทรงสอนบุคคลผู้ปฏิบัติ ว่าแม้ชีวิตอยู่แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวหรือขณะเดียวก็เชื่อว่าเป็นชีวิตีเจริญเพราะอะไรพระสามารถปล่อยวางความมิตร ก, กังวลเดือดร้อนในเรื่องของอดีตได้สามารถปล่อยวางการไขว่คว้าปรารถนาในอนาคตได้แต่สามารถกําหนดจิตของตนอยู่ในกลยกุการต่างๆที่ตนต้องจัดต้องทําในขณะนั้นๆอยู่ในปัจจุบันคือมีสมาธิอยู่ในเรื่องที่เราต้องทําต้องรับผิดชอบ ก็จะทำให้ชีวิตประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นหลักคุ้มครองใจธรรมทั้งสองประการนี้ทรงแสดงว่ามีอุปการะมากก็จะคุ้มครองป้องการรักษาบุคคลเอาไวแ้และโดยเฉพาะจริงจริงในกรณีที่พิจารณาตามแนวของมนัสติกก็จะเกิดความรู้สึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นว่าเป็นเหมือนกับการกลับสู่บ้านเก่า ตัว อ, อย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลที่ทำความดีเอาไว้นั้นจะไม่กลัวต่อปาระโลกและการพิจารณาถึงความตายโดยในยะนี้เมื่อมองในแง่ของสิ่งธรรมจัญญาระดับที่ลดหลั่นลงมาความตายนั้นเป็นเทวทูตประการหนึ่งในพวกเทวทูตตั้งห้าประการซึ่งมีเริ่มจากตรีมีคันเด็กอ่อน คนเจ็บคนจี่คุกแล้วก็คนตาย แ, ตแสดงเห็นว่าความตายที่ปรากฏแก่คนซึ่งตายนั้นเป็นสภาวธรรมที่ครอบงำชีวิตสตว์ทั้งหลายอยู่เพียงแต่ว่าจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นคติขอธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ปรับใจพิจารณานได้อย่างนี้ เพื่อจะเกิดความสุขใจสบายใจเน้นไปเรื่องปัจจุบันแล้วพยายามที่จะทำใจของตนให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้แต่ไม่จะไปวิตกกังวลไม่จะพร้อมจะเผชิญหน้าด้วยความเกรงด้วยความเครียดคลาดกับคนที่เป็นทหารทำการสงครามหรือตารวจปราบโจรผู้ร้ายแต่แต่ละคนมันก็พร้อมอยู่ จะพร้อมอย่างมือสันส่นสนใจสันส่นๆมีความอิจกกังวลไม่รู้จะโผลมาเท่าไรโผลมาเมื่อไหร่แล้วก็มีกันกี่คนแล้วก็โผลมาเราจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เป็นตน้นแต่แม้คนเหล่านี้เองถ้าเริ่มหัดคิดในแนวของมรรสติได้บ้างหรือเรียกเรียกว่ามรณ า, านุสติสิบ้างเดี๋ยวท่าน เ, เรียกได้ทั้งสองคำที่จริงก็ไม่เคยแปลกอะไรแต่ตัวบาลีจริงๆถ้าเรียกมรรสติคือการ ระลึกถึงความตายแต่มรณานุสตินั้นแปลว่าสติย้อนระลึกตามระลึกวนระลึกถึงความตายย้อนระลึกถึงความตายที่เกิดเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นระลึกก็คือระลึกถึงความตายที่ปรากฏในขณะนั้น น, นแก่คนแก่ศัตร์ทั้งหลา ย, ยาจะปรากฏแก่เราที่เป็นความตายอยู่บางขณะหรือทั่วขณะหรืออาจจะตายเพราะความประมาทเพลีเรือเป็นต้น ต, ตลอดถึง เรืเลิถึงเรื่องถึงความตายที่จะมีที่จะเกิดขึ้นแก่เราแต่พอดีเราไม่มีปัญหาว่าถ้าจะตายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใกล้ๆกับคนที่จะไปต่างประเทศแล้วก็มีการเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างรอแต่าตคาสั่งให้ไปนั่นเองไปก็ไปเพราะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องที่จะต้องใช้จะต้องตเตรียมก็ใช้ก็ก็กตเตรียมเพื่อจะใช้แล้วก็พร้อมที่จะใช้ได้อยู่แล้ว ดังนั้นท่านยังกล่าวเป็นกากรอนสอนใจสําหรับผู้ที่พิจารณาเหตุถึงความตายจนอย่างลึกเข้าถึงใจแล้วไม่หวาดกลัวต่อความตายว่าคิดถึงความตายสบายนักปัญหักลักหักหลงในสงสารมันตอมืดโมหันอันตการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยงใจคนนี้จะเล่าถึงอุบาสิกาท่านหนึ่งในชีวิตนั้นไม่เคยมีโอกาสได้ฟัง เพราะนั้นในขณะที่ไปฟังงูมากัดลูกของท่านท่านก็คิดว่าถ้าจะไล่จะตีงูมันก็ทำได้แต่ก็เป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้นชีวิตของท่านนั้นเพิ่งในควงมธรรมครั้งนี้ครั้งเดียวนี่เพราะนั้นจึงไม่แสดงอาการอะไรและไม่บอกใคร ตั้งใจฟังธรรมะอย่างมีสมาธิแต่ทำยังไงจึงไม่ให้พี่ต ก, กน้วนถึงลูกซึ่งถูกงู ก, กัดท่านก็บอกว่าลูกคนนี้ก็ไม่ได้เกิดเป็นลูกเราเฉพาะชาตินี้แต่ก็เกิดกันมาแล้วหลายๆชาติถ้าเกิดกันแต่ละชาติมันก็พ ร, รากจากไปทุกทีเราจากลูกไปก่อนบ้างลูกจากเราไปก่อนบ้างแต่พอบุญกุศลเป็นเหตุจะมาเกิดร่วมกันได้ก็เกิดร่วมกัน วันแม้ลูกจะตายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ตายวันนี้ก็ตายวันต่อไปน้งใจจึงไม่บอกแบบเพราะเรื่องความตายก็คือตายตายยังไงก็ได้แต่เป็นการตายอย่างสมมติเอาเท่านั้นเองดงนั้นท่านจึงบำเพ็ญสมถกรมมกรมฐานนิพพานกรรมฐานตามไปพิจารณาธรรมะตามไปในสุดบรรลุโสดาปฏิผลดเป็นระยะบุคคลชั้นโสดาั พลังจิตสูงมีธรรมะสูงจึงตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานให้พิษที่อยู่ในร่างของลูกไหลกลับออกมาลูกตัวเองก็ไม่มีอันตรายการฟังธรรมผลจากการฟังธรรมของตนก็ไม่ถูกทำอันตรายแต่กลับอำนวยประโยชน์ให้อย่างสูงจนได้เป็นพระโสดาบันกรณีจะเห็นได้ว่าพอเรามองเปเรื่องธรรมดาที่จริงมันก็ธรรมดา ธรรมดาจริงๆจะด้วยเราจะกลัวมันก็เท่านั้นแหละจะไม่กลัวมันก็เท่านั้นนะ่ะก็คือตายเหป็นกันแต่การอยู่อย่างไม่กลัวโดยมีสติระลึกถึงนั้นมันจะกลับไปถึงอีกจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพชีวิตเอาไว้โดยประลบเรื่องของพนางมาริกาเทวีกับนางมาคันธิยาพนางมาริกาเทวีตลอดชีวิตของท่านนั้นสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆเปน็นนันมาก จนในที่สุดฟังธรรมดนบรรลุมรรคผลเป็นประยะบุคคลระดับโสดา บ, บันแต่ว่านางมาคันธยาซึ่งตายได้ไล่กับท่านในขณะที่มีชีวิตนั้นสร้างปัญหาไวสารพัดค่าคนต่างๆเป็นนันมากเพียงเพราะรทิ์ยาเพียงไม่เพราะไม่พอใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พิจูตั้งหลายมามีความรู้สึกไม่เป็นการยุติธรรมเลย เที่คนดีๆกลับถูกครอกตายไปในไฟจริงๆมันก็น่าจะหยุดอยู่เท่านั้นแต่คนที่ทำผิดก็ถูกฆ่าถูกทำลายล้างอีกเป็นจันนมากพระมีพระเจ้าได้ทรงแสดงเห็นว่านางมาคันธยาดันที่จริงคือจะตายหรือจะอยู่มันก็คือตายแต่ดังสามาวดีนั้นจะอยู่หรือจะตายก็คืออยู่ โดยสูงชีเป็นรูปของพุทธภาสิทธว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายใ น, นการดำรงชีวิตของบุคคลที่มีการประพฤติมีการกระทาที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองบ้างบุคคลอื่นบ้างและเป็นภัยอันตรายที่กระจายออกไปนั้นที่จริงก็คือคนตายเป็นคนที่ตายจากความดี ตายจากธรรมของพระรีจเจ้าแม้รูปร่างกายเขามีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงใช้คำคำหนึ่งว่ามีอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกทั้งเด็มีอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกพะแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นสารประโยชน์แก่สารจากการมีชีวิตอย่างแท้จริงนั้นก็ไม่ได้มีในบุคคลตนั้นแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ประมาทในการกระทาความดีไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตในการ ควคุความคิดไม่ให้เกิดกำนัง ก, กัดคืองรุกลงบ่มเมาในอารมณ์ทั้งหลายได้ส่วนจะได้มากหรือน้อยเท่าไหรก็ตามเพราะว่ามันขึ้นกับอุปนิสัยบารมีของคนแต่สรุปว่าคนประเภทนี้แม้จะตายก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่นั้นจะพบว่าคนที่กลัวตายจึงน่ากลัวเรื่องนี้มากกว่ากลัวตายจากความดี ตายจากคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตายจากคุณค่าของความเป็นปุถุชน เ, เป็นพุทธศาสนิกชนตายจากตายจากคุณค่าของความเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเป็นต้นเพราะถ้าคนเราอยู่โดยไม่ได้กระทําความดีอะไรเขาก็ตายไปตั้งแต่เกิดแล้วและเมื่อตายไปก็ชื่อว่าตายไปจริงๆ แต่ส่วนคนที่ทำความดีนั้นก็ไม่ตายมาตั้งแต่ต้นบางครั้งคนที่ทำความดีมากๆเราเรียกว่าอมะตะชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ตายว่าสามารถเป็นแบบแผนในการํารงชีวิตของอนุชนในรุ่นหลังได้และตนเองก็รับความสุขจากผลทางการกระทาของตนเพราะงั้นหลักการสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าทาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความตายได้ ซึ่งจะต้องอาศัยการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายดังที่ได้กล่าวแล้วต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป